ถามว่าเวลานั่งสมาธิพักนึงจะรู้สึกตึงๆเหมือนมีแรงดูดบริเวณหนา้าผาระหว่างคิว้วก็ถามก็คือว่าสิ่งนี้คืออะไรเจ้าค่ะบางครั้งเนี่ยนั่งขับรถความรู้สึกนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็ควรปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะคออวรปฏิบัติอย่างไรอนนี้ถก็คือว่าให้มีจิตตัวเองพยาบาทสมาธาิสิ่งเหล่านี้มันจะมาจากเรื่องอะไรใช่ไหแต่ว่ามันเป็นเรื่องร่างกายเท่านั้น พยายามรักษาจิตไว้มีสติรักษาจิตไว้เพราะว่าจิตเราเป็นกลางไม่ยิน ด, ดีไม่ยินร้ายสิ่งเหล่านั้นจะค่อยๆลดกำลังลงทีนี่คือวิธีแก้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นพวกเรายอมแล้วไม่ยินดีไม่ยินรายก็คือรักษาจิตให้เป็นกลางเราถ้าเรารักษาจิตให้เป็นกลางได้จิตของเรามันจะรวมตัวรวตัวเข้ามาข้างหนนี้พอรวมตัวเข้ามาข้างในพลังงานนี้มจะผลักดันออกไปนอกสิ่งทั้งหลายก็จะสลาย นี่เวลาเขาหาธรรมก็เหมือนกันเวลาอะไเกิดขึ้นผู้เจ้าสอนก็จะให้มารู้จิตมาแก้ที่จิตให้จิตรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดขึ้นและก็ดับไปนั่นก็คือถ้ามันี้งก็เกิดขึ้นดับไปจิต ท, ที่จะปล่อยวางปล่อยวาไก็อยู่ตัวเข้ามาตัวเ ข, ข, ข, ข, ข, ข้ขามาอยู่ตัวเข้าขณะที่จิตผ ล, ผ ล, ผ, ลผลเข้ามาอย่างนี้มันจะมีพลังงานอัดดันกะไรอย่างนี้ป้องกอันตรงนี้แต่ต้องพยายามไม่ใช่ ว, ว่าทําได้ทีเดียวนะอันนี้อธิบายหลักการในฝังว่าต้องรักษาจิต ถ้าจิต ย, ยินดียีร้ายยีร้ายปับ๊บจิตจะค่อยๆขยับออกไปให่หมดได้บอกไหมสายไปหาเรื่องนั้นแล้ไอ้ตัวนั้นมันฉลาดมากมันจะสวนทางของเางไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรมกรมนายเวรก็ตามมาก็ตามอะไรก็ตามที่มันไม่หวังดีต่อมันมมะจะอาศายจิตเราที่มันพูดทราบที่มันไหลออกไปทวนเข้ามาเหมือนเราตรวจจิตของเราแล้วตัวนั้นไหลมาได้เแล้ววิธีป้องกันจิตก็คือพยายามให้จิตเข้ามาอยู่กับตัวจิตนี้รักษาจิตไว้ไม่ยินดีไม่ยีร้ายกวาดท้ายหมดเลย เวลาผู้เจ้าจึงกล้าพดคมาร์ดมั่นรู้ก่อนมันเรารู้จักเธอเสียแล้วเธอถูกเรากําจัดแล้วเรากําจัดก็คือว่าจิตของพระองค์เข้ามาอยู่ข้างในแล้วมันสลายไปได้ทดลองได้เลยนะเพลารักษาจิตนี่นี่แหละที่ธรรมะสุดยอดเพราผู้เจ้า ม, มีความเพียรมีสติสัพพัญญาั ก, ก, กความยินดีดีร้ยายในโลกนี้เสียได้จบเลยทําได้ไหม ยัะยังเราจะได้เดียวไม่ต้องสามคหรอกต่อได้ชัดเจนไหมชัดเจนไหมชัดเจนนะเข้าเข้าเข้าใจไหมเข้าใจแล้ว